คุณค่าที่เด่นของอริยสัจหลักอริยสัจนอกจากเป็นคำสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษีและภาคปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วยังมีคุณค่าเด่นที่น่าสังเกตอีกหลายประการซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ คุณค่าที่เด่นของอริยสัจข้อที่1เป็นวิธีการแห่งปัญญาซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผลเป็นระบบวิธีแบบอยา่างซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาใดๆก็ตามที่จะมีคุณค่าและสมเหตุผลจะต้องดำเนินไปในแนวเดียวกันเช่นนี้คุณค่าที่เด่นของอริยสัจข้อที่2เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตนด้วยปัญญาของมนุษย์เอง โดยนำเอาหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ไม่ต้องอ้างอำนาจโดนบรรดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆคุณค่าที่เด่นของอริยสัจข้อที่สเป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนไม่ว่ามนุษย์จะเตลิดออกไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ห่างไกลตัวกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเขายังจะต้องมีชีวิตของตนเองที่มีคุณค่า และสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นยังมีผลดีแล้วเขาจะต้องเกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากหลักความจริงนี้ตลอดไปคุณค่าที่เด่นของอริยศัสตร์ข้อที่4เป็นหลักความจริงกลางๆที่ติดเนื่องอยู่กับชีวิตหรือเป็นเรื่องของชีวิตเองแท้ๆไม่ว่ามนุษย์จะสร้างสรรค์ศิลปวิทยาหรือดำเนินกิจการใดๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตน และแม่ว่าศิลปวิทยาหรือกิจการเหล่านั้นจะเจริญขึ้นเสื่อมลงสลายไปหรือเกิดมีใหม่มาแทนอย่างไรอย่างไรก็ตามหลักความจริงที่เรียกว่าอาริยศตส์นี้ก็จะยืนยงใหม่และใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทุกการ